น้องๆพระพุทธธรรมประสงค์ขอากาศเพื่อนธรรมีทุกท่าน <c oughs> เจริญพร แม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนอ ย, อ, นะอย่าเฝ่าเบื่นน <c oughs> อนะฟังไปฟังไปในเรื่องบางว่าในเรื่องบางก็ฟังไปนะฟังอรรมารเวาเ้าแน่ฟังเจ้าของเว้าแน่เว้าจมในใจ เทฎมวันเทประมวลเบิงเจ้าของนะก็ทำวัดเสร็จนะ้ะก็พาลบทำนิดๆหน่อยๆนะเมื่อกี้พระอาจารย์สุดินก็พาสวดพาสวดบทอ่านะงสังขารนะพิจารณามนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนะเคยถามไหมเคยถามตัวเองไหมเกิดมาทำไม <c oughs> อาตมาเคยเคยโดนอาจารย์ ถามนะตอนเรียนมหาลัยอาจารย์ถามเกิดมาทำไมนะมันก็ตอบอย่างเด็ดขาดเหมือนกันไม่ค่อยสนใจว่าเกิดมาทำไมมันเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วไม่สนใจว่าเกิดมาทำไมแต่สนใจแต่ว่าเกิดมาแล้วจะทำอย่างไรต่อมันเกิดมาแล้วเนาะมันอยู่ที่ว่าเกิดมาแล้วเราจะทำอะไรที่มีคุณค่ามากกว่ากันเกิดมาแล้วก็ช่หัวมันแต่เกิดมาแล้วจะทาอะไรตอนเนี้ย เป็นจุดมุ่งหมายที่เอเราก็ได้ต่อกับตัวเองเ อ, อืาเราจะทำอะไรนอ้ชีวิตนี้นะชีวิตนี้เกิดมาแล้วจะทําอะไรให้มันมีคุณค่าที่สุดมีคุณค่าที่สุดแต่ก่อนเขาคิดว่าต้องประสบความสาเร็จทั้งโลกน ะ, ะว่าคําเร็จทั้งโลกถึงจะมีคุณค่าตามที่เขาว่าไว้นะ่ะต้องได้ทํางานทําการดีๆมีฐานะมีครอบครัวที่อบอุน่นแก่เท่าไปก็ว่าจะเข้าวัดปฏิบัติธรรม จะได้ตายอย่างมีความสุขเลยก็คิดแบบนั้นแบบดโตภนะตอนนั้นแต่พอมาบวชใหม่ๆนะมาบวชใหม่ๆพอดีมีหนังสือมนต์พิธีฉบับแปลอ่าเขาก็มีรูปหน้าปกอ่าไม่ใช่หน้าปกด้านในของปกก็มีรูปเด็กที่เพิ่งเกิดมาแล้วก็เด็กตัว เ, เล็กๆนะแล้วก็เด็กในวัยเรียนหนังสือเด็กในวัยกําลังทํางานอ่า เรียนหนังสือจลก็รับปริญญาแล้วก็ทํางานมีครอบครัวแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปนะแล้วก็เขียนสั้นๆว่าแค่นี้คือชีวิตเอคือชีวิตเราจะมีแค่นี้เหละเกิดมาแล้วเรียนหนังสือทํางานมีครอบครัวแก่เจ็บตายไปก็าถามว่มีแค่นี้หรือชีวิตเรานะได้อ่านดูตรงนั้นก็เออสะกิดใจตัวเองชีวิตเรามันไม่ใช่แค่นี้เนาะ ถ้ามีแค่นี้ก็ไม่ต่างจากสัตว์เท่าไหรหรอกสัตว์เขาก็มีวงจรคล้ายๆแบบนี้แหละอาจจะมีการเรียนในโรงเรียนไม่มีใบรับปริญญาแต่เขาก็มีสวาวะที่ว่าเกิดแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปเหมือนกันนะมีสภาวะเหมือนกันแต่ชีวิตเราจะมีแค่นี้เหรอือนะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไวนะ้มัน ไ, ไม่น่าจะมีแค่นี้เนาะมันต้องยกระดับจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นมานะมาเกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตเกิดมาเพื่อยกระดับจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นนะ เพราะว่าถ้าเราไม่ยกระดับจิตใจได้เองสูงขึ้นจิตใจของเราเหมือนกับมันเราอยู่ในกระแสน้ำเนาะมันก็จะพัดต่ำลงไปเรื่อยๆพัดต่ำลงไปเรื่อยๆตกลงไปที่ไหนก็ไม่รู้บางทีพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบว่าท่านกรร อ, อท่านก็หยิบดินขึ้นมาติดฝ่ามือมาแล้วก็ถามพิสุททั้งหลายว่าดินในฝ่ามือของเราเนี่ยกับดินในปัตภีพื้นแผ่นดินเนี่ย อันไหนมนมากกว่ากันพิสูจน์ทั้งหลายท่านก็ตอบว่าดินในปตพีสิมากกว่าดินในฝ่ามือของพระ อ, องค์นี่นิดเดียวพระเจ้าก็บอกว่ามนุษย์เราก็เหมือนกันเหลือคนเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วนะโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เองเหมือนกับดินในฝ่ามือของเราแต่มนุษย์พอเกิดมาแล้วตายไปไปถูกพบภูมิอื่นเหมือนกับค้ายดินใน พืนปฏิพีนี้มันมากมายเลยนะเปรียบเทียบก็ไม่ได้แต่อย่างว่านมนุษย์ส่วนใหญ่นะก็มีโอกาสตกต่ําลงไปเรื่อยๆถ้าตัเองไม่พัฒนาตัเองไม่ยกระดับจิต ใ, ใจตัวเองให้มันสูงขึ้นก็โอกาสาที่จะไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีก็ก็มากหรือแม้แต่จริงการไปคิดถึงภพภูมิในในชาติหน้าก็ดีนะที่เราเข้าใจกันมันก็เป็นการไกลตัวนะในจริงภพภูมิในปัจจุบันเนี่ยสําคัญกว่าก็คือว่า ในปัจจุบันขนาดตอนเนี้เออเรารู้สึกตัวหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้สึกตัวนะมันก็กลายเป็นเปรเป็นอสูรกายได้กลายเป็นผีได้นะถ้าเราไม่รู้สึกตัวนะความคิดก็มาครอบงำเราความหลงก็มาครอบงำเรานะเป็นโมหะนะเป็นโมหะเป็นความโกรธเป็นความโรความหลงได้เออถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยตอนนี้น่ากลัวกว่านะเพราะภูมิในอนาคตที่เป็นภพชาติใหม่น่ะนั้นยังไกลตัวแต่ภพภูมิในปัจจุบัน มันน่ากลัวกว่ า, วานะีนะ่ยการที่เราฝึกส ต, ติมาฝึกกายฝึกใจของเราเนี่ยเป็นการยกระดับจิตใ จ, ใจตัวเองให้นสูงขึ้นนะโดยเฉพาะบางทีเราเป็นพระเป็นชีนะหรือเป็นนักปฏิบัติธรรมมาอยู่ที่วัดก็ดีเนะี่ยยิ่งต้องต้องทําตัวเองให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆเยนาะบางทีการที่เราอยู่ในเพศที่สูงขึ้นบางทีเราต้องเรียกว่าต้องทําตัวเองมันสูงขึ้นไป สมควรกับที่เขากร า, าบไหว้นะเวลาไปที่ไหนถ้าเขากราบไหว้เราเนี่ยพระธรรมาก็จะต้องย้อนกลับมาดูตัวเองเนี่ยเราทำตัวสมกับที่เขากราบไหว้เราหรือเปล่านะทําตัวสมกับที่เขาบูชาหรือเปล่าก็ต้องระลึกตรงนี้อยู่เสมอนะเวลาเขากราบไหว้เราเขาไม่ได้กราบไหว้อแค่ผ้าเหลืองเฉยๆหนะ้าอะไนะหรือบางทีเขอาจจะกราบไหว้แค่ผ้าเหลืองก็ได้นะแต่เราก็ต้องระลึกว่า เราไม่ใช่แค่เอาผ้าเหลือมห่อหุ้มตัวแค่เผ้าขาผ้าขาวห่าหุ้มตัวนะแต่เราเอาศัยถือเพ้ น, นักบวชตรงนี้เพื่อยกดับจิตใจเองให้มันสูงขึ้นนะอันไหนที่ยังเลิกไม่ได้ที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะก็ต้องเด็ดขาดกับมันนะเนาะอย่าเลิกไม่ได้ที่เป็นสิ่งเสพติดเป็นอะไรต่างๆเลิกให้มันได้นะสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราพยายามเลิกซะนะซะน ะ, ะนะเราจะได้ภูมิใจนะ การที่เรามีศินเนี่ยทำให้เราไม่ละอายแก่ใจตัวเองศินไม่ใช่เพียงแค่ว่าศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสินแปดสินห้าแต่ศินคือการที่ละอายแก่ใจตัวเองอันไหนที่เราทําไม่ดีแล้วเราละอายแก่ใจตัวเองนั่นน่ะคือการที่เราผิดสินแต่การที่เรามีสติเรารูเนื้อเนื้อตัวเราทําเป็นการที่เราไม่ทําผิดศินทำอะไรเราไม่ละอายแก่ใจตัวเองนะเป็นการไม่ผิดสินเนี่ยให้เราระลึกไว้ ใ น, นที่เราด่างพ้อยใ น, นที่เราทแํแเราแล้วเรามีความได้ อ, อายเกิใจเนทะ่านั้นคือเราการที่เราผิดศีลแล้วพอผิดศีลแล้วสมาธิมันก็ไม่ตั้งมั่นเพราะว่าจิตใจเราก็เพราะว่าพวกรกับสิ่งที่เราทําไม่ดีกลัวคนอื่นเขาเห็นกลัวเขาตําหนิหรือแม้คนอื่นไม่เห็นเราก็ตําหนิตัวเองเนี่แหละนะมันก็เลยเกิดเป็นสมาธิไม่ได้ไม่มีศีลไม่มีสมาธิปัญญามันก็ไม่มีนะ สีนสมาธิไม่ใช่แค่สีนสองร่สิบสมา ธ, มาธิคือการตั้งนั่งสมาธิปัญญาคือการพิจารณาไม่ใช่แบบนั้นแต่จริงมันเป็นองค์ธรรมทั้งหมดคือองค์ธรรมในจิตใจของเราเนี่ยแหละนะศีนสมาธิปัญญาอยู่ในจิตใจของเราทั้งนั้นนะเราพยายามดูเนาะเป็นพระเป็นชีหรือเป็นโยมก็ดีนะโยมอยู่วัดนะบางทีก็ต้องเรียกว่าต้องให้มันเป็นแม่ออกเป็นพระออกจริงๆนะ ไม่ออกเพราออกคือออกจากเดือนแล้วไม่เกี่ยวข้องได้เดือนการที่่วาไม่เกี่ยวข้องได้เดือนอาจจะไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวข้องในการที่ว่าไม่ไปหาลูกร้านอันนั้นอันไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องก็คือตรงนี้แหละนะเราไม่เป็นห่วงเขาแล้วนะไม่เป็นห่วงทางใจนะเราดูแลเขาสุดความสามารถแล้วไม่เป็นห่วงเขาแล้วปล่อยแล้ววางมือแล้วจะมาทากิจตัวเองให้มันถึงที่สุดให้มันได้ให้มันดีที่สุดให้มันได้นะ เป็นพระก็ดีเป็นขี่ก็ดีเป็นแม่ออกเป็นพ่อออกก็ดีนะตอนเนี้ยวางเรื่องทางโลกก่อนวางเรื่องลูกเรื่องด้านเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรต่างวางไว้ก่อนมาพยายามพัฒนาจิตใจเองมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเนี่ยจะเป็นการที่เรียกว่ามาอยู่วัดแล้วก็ดีที่สุดนะดีที่สุดเพราะว่าวัดก็จริงคือการที่เรามายกระดับจิตใจเองมันสูงขึ้นเนะี่ยเป็นการอยู่วัดนะอยู่วัดเขาบอกบางที ฟังแล้วน่ากลัวนะเขาบอกอบางทีเขาเปรียบเทียบไงจำไม่ได้บอกบวชมาเป็นผีหรือเป็นเปรตเฝ้าวัดหรือเปล่าเนี่เขาบอกนะบางทีพระหรือว่าไม่ชีหรือว่าโยมบางทีเป็นเปรตเฝ้าวัดน่ะมันก็ไม่ค่อยดีนะเป็นเปรตเต่ก็ต้องพยายามให้เป็นเปรตต้องทําตัวเองเป็นพระให้มันได้พระก็คือจิตใจที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนะ แล้วก็มีวิธีและมีเครื่องมือก็คือหลักสติประธานช่วยให้เรามีสติมากขึ้นพยายามอยู่สุขโตก็อาจจะมีมีสิ่งที่มากระทบสัมผัสให้เราได้เรียนรู้เยอะนะการฝึกสตินี่อาศัยสิ่งที่เป็นอารมณ์กระทบสัมผัส เ, เป็นตัวทาให้สติของเราตื่นขึ้นมานะเราไม่ได้อาศัยความสงบไมไ่อาศัยสถานที่ หรืออะไรต่างๆที่เป็นตัวทรัพยยะมาช่วยมากนักแต่ถ้ามันมีมันก็ดีนะแต่ถ้ามไม่มีก็ไม่เป็นไรนะต้องบอกว่าไม่เป็นไรนะกระทบก็ดีไม่กระทบก็ดีอะไรมาเกิดขึ้นนะจะดีก็ดีไม่ดีก็ดีรู้เท่าทันมันให้ได้นะให้ถือว่าทุกอย่างเป็นครูสอนเรานะถือว่าทุกอย่างเออมาเป็นบททดสอบให้เราลองเอาสติไปใช้ดูอ่เอาไปใช้ดู ผ่านได้บ้างผ่านไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่มันเป็นโจดเฉพาะตัวของเรานะจะไปเปรียบเทียบว่าทำไมที่นั่นไม่เป็นอย่างนี้ที่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นคนนั้นไม่เป็นอย่างนี้คนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะมันควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปเปรียบเทียบนะเราหลงละหลงไปเปรียบเทียบหลงไปไม่พอใจกับสิ่งที่มากระทบกับเราเราย right right ิ้มรับเลยนะยิ้มรับเลยว่าเอออะไรจะเกิดขึ้นกับเรา อะไรจะกระทบเราก็าไม่เป็นไรจะลองเรียนรู้มันดูตอนนี้ยังผ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเออถ้ามันเกิดขึ้นมาใหม่จะลองเรียนรู้ใหม่น่ะผ่านมาเป็น1ิครั้งยังผ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าร้อยครั้งก็ยังได้นะบางอารมณ์นะบางารมก็อืมเราก็รู้นะบางทีมันยังผ่านไม่ได้แต่ขณะที่ใจเราเย็นไว้แล้วเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้เท่าทันไปแล้วต่อไปมันจะค่อย จางคายค่อยๆเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นจะเริ่มรู้จักมันมากขึ้นรู้ว่าจะรับมือกับมันได้ง่ายขึ้นนะรู้ที่จะอยู่กับมันอยางไม่ทุกนะเนะี่ยถือว่าเป็นตัวทดสอบเป็นตัวที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะฝึกสติมันดีตรงนี้แหละฝึกสติไม่ต้องง้ออารมณนะ์อารมณ์ไหนก็ได้นะไม่ต้องง้ออารมณ์ดีๆทั้งนั้นนะอารมณ์ดีก็ได้อารมณ์ไม่ดีก็ได้ผู้คนจะเป็นอย่างไรไม่สาคัญ สำคัญแต่ว่าเรามีปฏิกิริยาอย่างไรกับผู้คนเนะี่ยสําคัญกว่าปฏิกิริยาอาจจะไม่ใช่แค่ภายนอกนะภายนอกก็ต้องมีปฏิยาที่ดีก็ดีแล้วแต่ภายในใจของเราเราก็ต้องดูปฏิกิริยาภายในใจของเราด้วยว่าเรามีปฏิกิริยาอย่างไรกับภายนอกนะนะภายนอกกระทบจิตใจเรากระเทือนหรือเปล่ากระเทือนแล้วดูเท่าทันหรือเปล่าอเ น, นี้ยพยายามดูนะฝึกกายนะ ฝึกที่กายเคลื่อนไหวดูกายเคลื่อนไหวแต่มันจะรู้เท่าทันจิตใจเขาเองที่มันเผลอไปคิดเผลอไปนึกนี่แหละนะเนี่ยฝึกสติถึงแล้วเนี่ยดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดมันนึกนะเห็นใจมันคิดมันปรุงมันแต่งพอเห็นใจมันคิดมันปรุงมันแต่งเนี่ตอนนั้นแหะเห็นธรรมะเป็นธรรมะเบื้องต้นรู้เท่าทันใจตัวเองเผลอไปปรุงไปแต่งเนี่ยเป็นการเรียกว่าได้รักการปฏิบัติธรรมเพื้อง เป็นการได้ดักปฏิบัติเบื้องต้นก็ว่าได้นะหลวงพ่อเทียนนั่นเคยว่าไว้อย่างนั้นบอกว่าถ้าใครรู้เท่าทันจิตตัวเองนะเผลอไปคิดนั่นแหละเป็นการได้ดักในการปฏิบัติธรรมนะการที่จิตเผลอไปคิดเนี่ยรรททมันก็มีอยู่ทุกขณะอยู่แล้วนะเป็นโอกาสทองอยู่แล้วที่เราจะรู้เท่าทันมันนะรู้เท่าทันในการผ่านที่กายเคลื่อนไหวสบายๆนั่นแหละนะต้องเคลื่อนสบายๆนะเคลื่อนไม่สบายไม่ดีนะไม่ต้องไปดับตา ไม่ต้องไปเพ่งไปจ้องทําสบายๆทําสบายๆยกมือสบายๆเดินสบายๆต้องทําสบายๆแล้วก็ให้อารมณ์มันเกิดขึ้นอารมณ์มันเกิดขึ้นจะเป็นอะไรก็ได้แต่พยายามรู้เท่าทันมันถ้าเราไปเพ่งไปจ้องเราจะเห็นแต่กายเห็นแต่มือที่มันเคลื่อนเห็นแต่เท้าที่มันเคลื่อนหรือจะเห็นอารมหายใจที่มันเคลื่อนมันจะเห็นแค่กาย ที่มันเคลื่อนไหวแต่ไม่เป็นกายที่เป็นอวัยวะเฉยๆมัน takich, ไม่ใช่เห็นทั้งกายไม่ใช่เห็นทั้งรูปนะพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าให้รู้รูปนะไม่ใช่ดูแค่อวัยวะที่เคลื่อนไหวแต่ให้เห็นรูปมันเคลื่อนมันไหวมันเคลื่อนไหวในอิยาบทยกมือเคลื่อนไหวในอิยาบทเดินจงกรมเคลื่อนไหวในการหายใจเนะี่ยให้รู้ให้เห็นว่ารูปกําลังหายใจอยู่ให้รู้ว่ารูปกำลังเดินอยู่ ให้รู้ว่าลูกกำลังนั่งอยู่นะมันรู้แบบนั้นให้รู้ว่าใจเผลอไปคิดอยู่นะรู้ว่าใจมีโทสะอยู่รู้ว่าใจมีโมหะเกิดขึ้นอยู่หรือรู้ว่ามันสบายก็รู้นะพอไปเจอความสบายเจอความสงบก็ให้รู้เท่าทันมันเหมือนกันอ๋อตอนนี้มันสบายเกิดขึ้นตอนนี้มันสงบเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันมันเนทุกอาการให้เรารู้เท่าทันไม่ไปอยู่ รู้แล้วก็ไม่เข้าไปอยู่เนะี่ยเห็นไม่เข้าไปเป็นหลวงพ่อก็สรุปให้เราอย่างดีนะนไม่ต้องกงนนะังวลถ้าจับดาบแค่ท่านี้ได้รู้ไม่เข้าไปอยู่หรือไปอยู่แล้วก็ออกมารู้นะเห็นไม่เข้าไปเป็นพอเข้าไปเป็นแล้วก็ออกมาเห็นน่ะทำแค่นะี้แหละนะในการปฏิบัติธรรมทำแค่นี้ อ, ไนะอ่ไม่ต้องฝังมากไม่ต้องจับหลักอะไรมากก็ได้ที่พูดไปมากๆก็เป็นแค่ส่วนประกอบเฉย แต่หลักแต่หัวใจการปฏิบัติธรรมมีแค่นี้จริงๆแล้วก็ทําแค่นี้แหละถ้าทําแค่นี้นะทำบ่อยๆทําให้บ่อ ย, อยมันจะเริ่มเห็นผลนะพอเห็นผลแล้วมันจะอุ่นใจครูบาอาจารย์จะอยู่หรือไม่อยู่ก็อุ่นใจอุ่นใจที่เราจับหลักได้แล้วอ่ออุ่นใจที่หลวงพ่อท่านแนะนําไว้แล้วว่าเนี่ยเห็นไม่เข้าไปเป็นนะรู้ไม่ได้เข้าไปอยู่นั่นก็จับหลักแค่ตรงนี้ได้ พอเราเริ่มจับดักได้ปฏิบัติได้ก็เ อ, อครูบาอาจารย์จะอยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเราจะทําของเราไปเรื่อยๆนะทําไปเรื่อยๆนะอย่างที่เราเคยได้ยินสุภาษิติดอัตหิอั ต, อตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนะียยิ่สุภาษิตนี้ได้ยินตั้งแต่เด็กแล้นะเป็นสุภาสินได้ ก, ก็ว่าได้นะสำหรับตัวเองนะสุภาษิตนี้เหมือนตื้นๆมากในโรงเรียนก็สอนกันอัตหิอั ต, อตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน ฟังไปแล้วก็ก็รู้สึกดนะีแต่พอมาปฏิบัติทำไปกับรู้สึกว่าพึ่งตนเองไม่ได้ต้องคอยพึ่งครูบาอาจารยนะ์มีบ้างนะบางทีบางอารมณ์ก็เคยน้อยใจครูบาอาจารย์บ้างเคยรู้สึกว่าเสียดายนะทําไมครูบาอาจารย์ไม่อยู่ไม่ครูาอาจารย์ไม่ชี้ไม่แนะนะก็มีบ้างเป็นอารมณ์แต่เราอย่าไปติดมันเนาะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครูบาอาจารย์จะอยู่ครูบาอาจารย์จะอาจจะไม่ชี้แนะเราโดยตรง แต่ท่านได้วางหลักไว้ให้เราแล้วครนี้เราต้องเป็นที่พึ่งตนเองให้มันได้นะพึ่งตนเองเนะี่ยขนาดที่เราพึ่งตนเองตอนนั้นนะสติปัญญาความสามารถต่างๆมันจะโผล่ขึ้นมามันจะผุดขึ้นมามันจะประมวลขึ้นมาเองนะเราจะพึ่งแต่เองได้มากขึ้นเหมือนคนที่เหมือนเด็กนะ่ะค่ะเด็กที่มันอยู่ที่บ้านนะมีพ่อแม่มีผู้ปกครองคอยเชื่อช่วยเหลือตลอดเวลาพอเขาออกไปข้างนอกนะเขาจะเริ่มรู้จัก พึ่งตนเองเริ่มเลืจกักหุงข้าวเลือจากหาอาหารเลือจากทรรแรงต่างสารพัในการปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันบางทีเราอยู่กับครูบาอาจารย์คอยบังพึ่งมากๆบางทีก็อ่อนแอไปได้ง่ายๆนะขนาดไหนนะที่เราครูบาอาจารย์จะอยู่หรือไม่อยู่เราต้องพึ่งตัวเองให้มันได้นะพึ่งตัวเองให้มันได้อย่างสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนนะเนี่ยหลวงพ่อบางทีก็ไม่ค่อยอยู่นะ อยู่วัดภูขอท้องบ้างบางทีเราก็ต้องฟึ่งตัวเองอยู่ที่ถุกโตเนี่ยแต่นี้จริงก็อุ่นใจสมัยนี้อุ่นใจหลวงพ่อไม่อยู่ก็มีซีดีอยู่ <c oughs> มีซีดีให้ได้ฟังนะฟังทีดีก็เหมือนฟังหลวงพ่อนะเอ่อแตมามรู้ไม่รู้สึกแตกต่างสักเท่าไรหลวงพ่อพูดสดๆก็ดีอยู่แล้วแต่ซีดีที่หลวงพ่อพูดก็เป็นก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อสอนเหมือนกันนะไม่รู้สึกว่าเปลี่ยวใจ หลวงพ่อจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้สึกว่าเปลี่ยวใจเพราะว่าจริงธรรมะท่านฝากไว้อยู่แล้วน่ะมาที่สารานี่หลวงพ่องพ่อก็เขียนไว้แล้วนะไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรนะ่ะอ่านแค่นี้นะ่ะเอาไปทำดูนะ่นเห็นหลวงพ่อยิ้มนะ่ะระลึกได้เนะออเนี่ยนะบางทีเราก็จะไปฟังแค่คําสอนของหลวงพ่อแค่เห็นท่านทำเป็นตัวอย่างเนี่ยก็พอแล้วนะเออเห็นแค่หลวงพ่อยิ้มแค่เนี้ยพอแล้วมีคนจีนึงก็พูดบอก ตอนหลวงพ่อไปวันแรกเนะ่ะเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าลามผู้เสียงค่อยลําโพงไม่ดังแต่เห็นแค่หลวงพ่อยิ้มจิตใจเขาก็เบาขึ้นมาแล้วจิตใจเขาก็มีความสุขขึ้นมาแล้วนะนะบางทีแล้วก็อยู่กับครูบาอาจารย์ก็อาศัยฟังบ้างอาศัยดูบ้างแต่ที่สําคัญที่สุดคือต้องอาศัยปฏิบัติเองให้มันมากๆปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจ คำสอนของครูไาจาย์เป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับขึ้นไปนะตอนแรกใหม่ๆก็เข้าใจเหมือนกันแหละแต่เข้าใจอีกแบบหนึง่งพอปฏิบัติทาไปเรื่อยมันก็จะเข้าใจมากขึ้นให้ที่เคยว่าเข้าใจแล้วเอา้าเออมันก็เข้าใจเพิ่มขึ้นให้ที่ยังไม่เข้าใจก็จะเข้าใจเอเอไอ้บางทีที่หลงผิดไปเลยเออก็กลับมาเห็นถูกก็มีนะแต่ก็อัตมาก็ มันก็ยังไม่ถึงที่สุดเนาะก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอาจารย์ยังมีสิ่งที่ผิดบ้างก็ต้องขอใหยญาติโยมหน่อยก็พยายามดูพยายามรู้พยายามศึกษาอยู่เรื่อยๆนะดูก็ไม่ได้ดูที่คนอื่นดับดูที่ตัวของเราเองนี่แหละนะตัวของเราเองแหละเป็นครูที่สอนเราดีที่สุดนะครูบาอาจารย์ก็สอนดีแต่ตัวของเราเนี่ยมันสอนเราตลอดเวลาสอนสอนอะไรเนะี่ยกายเราสอนอยู่ใจเราสอนอยู่กายมันสอน มันทุกสอนให้เราชัดๆเลยนะคนแก่แล้วยิ่งเห็นชัดเลยเนาะมันทุกนะทุกกายนั่งนานๆก็เจ็บก็ปวดก็เมื่อยเป็นโรคเป็นภยัยไม่รู้จะตายวันใดพุ่งนะไม่รู้จะตายวันไหนนะหรือบางทีจิตใจก็ยิ่งสอนชัดเลยนะวันหนึ่งสังเกตเลยนะบางทีเราว่าอากาศอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วนะอเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ลมเดี๋ยวก็ฝน แต่จิงจิตใจเราเปลี่ยนแปลงมากกว่าอากาศภายนอกอีกนะวันหนึ่งเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลบเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชังนะเปลี่ยนแปลงสารพัดไม่ต้องถึงวันดอกแค่นาทีหนึ่งนี่ก็เริ่เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ละนะมันเปลี่ยนแปลงแบบมันสอนธรรมะเราทางนั้นนะสอนเรื่องความที่มันบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้จริงๆริงนะ ถ้าสั่งได้คนก็เป็นอมาตะากันหมดแล้วนะ FC คนก็ไม่ต้องทุกข์แล้วถ้ามันสั่งได้สั่งอย่างที่ใจเราต้องการเพราะว่าความทุกข์ก็คือการที่มันขัดจากสิ่งที่เราต้องการความมันขัดจากสิ่งที่เราต้องการมันก็เลยทุกข์อันนี้คือทุกข์ที่คนทั่วไปเข้าใจก็คือไม่ได้อย่างสิ่งที่ต้องการก็เลยทุกข์แต่ที่จริงความทุกข์ไม่ใช่แค่นั้นความทุกข์ที่ลึกที่ละเอียดขึ้นไปคือมันแสดงถวาวะทุกข์ เพราะมันทนอยู่ไม่ได้จริงๆริกายมันทนอยู่ในอาการดิมเดิมไม่ได้มันก็ต้องเจ็บปวดเมื่อยใจมันก็ทนอยู่ออกับอาการเดิมเดิมไม่ได้มันต้องคิดนึกปรุงแต่งมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันทนอยู่ออกับอาการเดิมไม่ได้นี่คือความทุกข์ที่มันแสดงเนี่ยปฏิบัติทำไปให้มันปฏิบัติแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ตรงนี้เนาะเปะ้าหมายของการเจริญวิปัสสนาคือฝึกเพื่อหเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อ เปลี่ยนแปลงแต่รักเพื่อบังคับแต่รักปฏิบัติไปเพื่อให้มันสุขทาวรปฏิบัติไปเพื่อให้บังคับได้ปฏิบัติไปเพื่อให้มันเที่ยงเนะ่ยคือเราทําผิดแล้วนะเราต้องปฏิบัติไปเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงนะม า, าแสดงแบบไหนก็ก็ดูแบบนั้นแหละนะดูแบบนั้นแหละนะไปรักไปชอบไปโกรธไปดอก็รู้ทันใจของเราตลอดเวลาเนี่ยก็พยายามภาวนาไปให้คิดถึง ความตายไปด้วยก็ดีนะสวดมนต์ไปคิดถึงความตายไปชีวิตของเราจะตายวันไหนนอ้อนะพวกนี้จะได้ตื่นขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตื่นขึ้นมาก็ดีไม่ตื่นขึ้นมาก็ อ, อจัดการให้หน่อยนะ อ, อไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวล อ, อืตื่นขึ้นมาแล้วก็ภาวนาไปไม่ตื่นก็ อ, อไม่เป็นไรถือว่าได้ทาสดฝีมือนะ เราต้องพยายามนะพยายามแต่วันเนี้ได้ทําจนสุดฝีมือหรื อ, อยังนะวันนี้ได้ภาวนาสุดฝีมือหรื อ, อยังนะต้องถ้าเราพยายามภาวนาสุดฝีมือแล้วในวันนี้นะเหมือนใครเราตั้งใจทําอะไรก็แล้วแต่ทําสุดฝีมือแล้วมันก็จะไม่เสียใจนะแม้ยังไม่เสร็จยังไม่จบก็ไม่เป็นไรสุดฝีมือแล้วนะพักก่อนไม่เป็นไรมีโอกาสก็ทําต่อทําต่อนะ การระลึกถึงความตายนี้เป็นการเร่งเร่งให้เรามีความเพียรเยอะขึ้นนะบางทีบางทีก็ใอญ่กจะลึกแค่ความตายของเราบางทีแม้แต่ครูบาอาจารย์เนาะถ้าเราไม่เร่งความเพียรตอนนี้บางทีครูบาอาจารย์ไปก่อนเราเราจะอยู่ยังไงนอ้อนะอย่างบางคนต้องไห้เสียใจนะเสียใจกลัวครูบาอาจารย์ไปก่อนนะแต่จริงไม่ใช่เขาไม่ได้เสียใจอยางนะั้นหรอกเสียใจเพราะว่าตัวเองยังหวังพึ่งครูบาอาจารย์นะ ถ้าเราเพึ่งตัวเองได้แล้วนะครูบาอาจารย์ท่านจะอยู่หรือไม่อยู่นะท่านอยู่ก็ดีไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเราเพึ่งตัวเองได้ที่จริงครูบาอาจารย์ท่านจะอยู่อยู่ได้นานก็ต่อเมื่อท่านมีปิติหรือมีความสุขที่เห็นว่าลูกศิษย์พอพึ่งตัวเองได้แล้วลูกศิษย์พอจะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้แล้ววางมือได้แล้วเนี่ยครูบาอาจารย์จะมีความสุขครูบาอาจารย์จะมีปิติ ท่านก็จะอยู่กับเรานานะอย่างพระพุทธเจ้านะตอนที่ท่านอตัดสู้ใหม่ๆเนาะมารก็มาทูลขอให้ให้อปฏิญญาพานไปซะเมื่อตัดสู้แล้วก็จบกิจแล้วนี่ออยู่ทําไมนะจบกิจคนนั้เองแล้วอยู่ทําไมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเออเราต้องสอนพุทธบริษัทของเราก่อนให้พิสูจนีอุบาสกอุบาสิกาตั้งมั่นในศีลในธรรมก่อนถึงจะไปเห็นไหมเนะี่ย พระบิดาท่านนำลงขันอยู่เพื่อเพื่อให้พุทธบริษัทได้ตั้งมั่นก่อนนะเพื่อให้พิสูภิษุณีอุบาสกุบาติกาให้มีคนรู้ธรรมะให้มีคนเผยแพร่ธรรมะของท่านได้ก่อนท่านถึงจะไปนเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเราก็ต้องทําตัวเองให้เป็นที่พึ่งให้ไได้เนาะครูบาอาจารย์เวลาถ้าท่านจะไปท่านก็จะได้ไปอย่างสบายใจโอ้พึ่งตัวเองได้แล้วนะ เราไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเขาพึ่งตัวเองได้นะอาตมาก็ว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านอยู่ก็เพื่อสอนให้พวกเราพึ่งตัวเองให้ได้นะ่ะพึ่งตัวเองให้ได้พึ่งหลวงพ่อให้น้อยที่สุดพึ่งครูบาอาจารย์ให้น้อยที่สุดนะแต่ก็ไม่ใช่หลวงพ่อจะไม่ช่วยแล้วนะหลวงพ่อก็ช่วยเทศสอนเราทําให้เราดูนะตลอดเวลายอย่างนะี้เราก็ต้อง ทั้งพึ่งท่านทั้งพึ่งตัวเองให้มันได้ได้นะเนี่ยจึงจะเป็นการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการบูชาก็มีสองแบบการบูชาที่เป็นอามิตรบูชาก็ดีนะปฏิบัติ ด, ดูแลอุปัฏฐากาูบาอาจารย์ทําอาหารถวายนี่ก็เป็นการที่ดีมากนะแต่ที่สําคัญที่สุดคือการปฏิบัติบูบชาท่านนี่แหละปฏิบัติตัวเองให้ยกระดับจิตใจให้มันสูงขึ้นเนี่ยเป็นการบูชา คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างดีที่สุดเนะี่เนี่ยก็คิดว่าพวกเราตั้งใจภาวนากันเนี่ยตั้งใจปฏิบัติทำกันเนี่ยถือเป็นการบูชาเนาะจะเป็นพระก็ดีเป็นแม่ชีก็ดีเป็น อ, อุบาสกอุบาสิกาก็ดีก็ให้พยายามบูชากันโดยการปฏิบัติโดยการาละสิ่งที่ไม่ดีในตัวของเราทําสิ่งที่ดีให้มันมากขึ้น ยกกระดับจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นเนะี่ยแหละเป็นการบูชาพระพุทธเจ้ามากที่สุดการมีสตินี่จะเป็นการช่วยเราอย่างดีที่สุดช่วยให้เรารู้ว่าอ้อมันความพอดีมันอยู่ที่ตรงไหนนะความพอดีในการวางกายความพอดีในการวางใจความวุดีในการทํากิจของตนความพอดีในการทํากิจช่วยคนอื่นความพอดีในการทํากิจช่วยสังคมนะบางทีมันก็มีนะ เราก็ต้องเกี trees, mean, yeah. hmm. ่ยวข้องกับคนอื่นบ้างเกี่ยวข้องกับสังคมบ้างก็ต้องเกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องแต่มันจะเกี่ยวข้องอย่างฉลาดนะไม่ใช่เกี่ยวข้องแล้ไปหลงนะไมชไปเกี่ยวข้องแล้วทุกข์แต่มันจะรู้จักเกี่ยวข้องแล้วไม่ทุกข์รู้จักเกี่ยวข้องแล้วรู้จักถอนตัวออกมาได้รู้จักเกี่ยวข้องแล้วก็วางได้นะบางทีมันก็จําเป็นไม่ใช่แค่ทํากิจของตัวเองเท่านั้นบางทีมันก็ทํากิจช่วยคนอื่นบ้าง บอกสอนคนอื่นทําตัวอย่างให้คนอื่นดูบ้างหรือช่วยงานบ้างไปนะหรือบางทีก็เกี่ยวข้องกับสังคมนะอย่างเรามีธรรมญาติตามเนะี่ยเป็นการเกี่ยวข้องกับสังคมด้วยนะบางทีมันก็ต้องเกี่ยวข้องอย่างที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อบวชมาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นนักกิจกรรมนะตัวเองก็เหมือนกันนะบวชมาก็ไม่คิดจะเป็นนักกิจกรรมเพราะว่าตอนก่อนบวชเป็นนักกิจกรรมมาคิดนะว่าบวชแล้วต้องมาปฏิบัติภาวนามาปฏิบัติธรรม แต่พอบวชมาแล้วบางทีต้องเกี่ยวข้องมาทํากิจกรรมบ้างก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นพระนักกิจกรรมเนะขาคิดว่าก็ทําไปตามหน้าที่เฉยๆจำเป็นต้องทําหรือว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ทำํำนะก็ทําไปแบบนั้นแหละนะแต่รู้ว่าขณะที่ทำเนี่ยเราต้องทํากิจของตัวเองควบคู่ไปด้วยนะขณะที่เดินธรรมญาตาก็พยายามเดินดูกายดูใจของเราขณะที่ทํางานช่วยเหลือคนอื่นก็พยายาม กลับมาดูกายดูใจของเรานะให้ถือว่างานงานดักของเรานะ <_ quê>? เรายังไม่ใช่ผู้พน้นทุกข์อย่างถาวรนะเราต้องเอางานดักของเราเป็นตัวตั้งก่อนงานส่วนตัวนี่เป็นตัวตั้งก่อนเป็นงานอันดับแรกเป็นงานเบอร์หนึ่งนะต้องเรียงลาดับให้มันได้เรียงลำดับความสําคัญอย่างตัวอาตมาเองก็จะเรียงลําดับความสําคัญวออ่องานตัวเราเนี่ยเป็นงานอันดับต้นงานช่วยเหลือคนอื่นนี่เป็นงานอันดับสอง เกืก้อกูลคนอื่นได้ขนาดไหนนั่ก็คืองานอันดับสองงานอันดับสาคืองานที่ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอนะไรเนี่ยเป็นงานอันดับสก็จะวางตรงนี้ไว้เออเวลาพอเราวางลําดับความสําคัญได้เวลาเราเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับผู้คนเราก็จะไม่หลงแล้วกลับมาดูกายตัวใจของเรานะักงานภาวนาเป็นงานอันดับต้นงานช่วยเหลือคนอื่นอย่างเช่นช่วยเหลือ ก, กันในภายในวัด การดูแลตามหน้าที่ในวัดเนี่ยก็เป็นงานอันดับสองทำบ้างปล่อยบ้างบางทีก็ปล่อยให้เขาเรียนดูกันเองนะปล่อยให้เรียนดูกันเองเดี๋ยวทำมาก็จัดสรรเองนะเดี๋ยวก็มีคนนั้นคนนี้เข้ามาช่วยก็พูดไปบ้างทําให้ดูบ้างก็ดูกันเอานะฟังกันเอานะฟังบ้างดูบ้างการสอนในการทําให้ดูนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเป็นการสอนที่ดีที่สุดนะหรืบางทีก็ไปเกี่ยวข้องกับสังคมแล้วก็รู้หรอก เราคนเดียกก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งโลกะเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้เปลี่ยนแปลงชุมชนไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ไม่ของอมืองอเท้าไม่ปล่อยให้สิ่งที่เรารู้ว่าถ้าเราปล่อยไปมันจะเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆเราก็พยายามทําให้มันดีที่สุดแหละมันจะดีขนาดไหนมันก็หนีกฎธรรมชาติไม่ได้กฎธรรมชาติมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่อย่างน้อยเราก็ได้ไปทำแล้วได้ภูมิใจแล้วว่าเออเราได้บอกได้กล่าวได้ทําแล้วนะ ก็ไม่เสียใจนะก็ไม่เสียใจนะจิตของเราก็มีสมส่วนวนะเาะญโยมก็ลองพิจารณาดูว่าจิตในการทําตัวเองให้มันสูงขึ้นเราได้ทําเต็มที่ได้ยังจิตในการที่เกื้อกูลกันอื่นเราได้พอเกื้อกูลกันได้ได้ยังก็อย่าไปคิดนะการเกื้อกูลกันอื่นเพียงแค่การเทศการบอกการสอนจะใช่อันนั้นกอยังไม่ใช่การทําตัวอย่างให้ดูการยิ้มแย้มให้กันการที่ไม่ ทําให้คนอื่นโกรธทาให้คนอื่นโมโหนี่เป็นการช่วยเหลือคนอื่นน Herm ั้นนะการที่เราเดินจงกรมการที่เราภาวนาตั้งใจภาวนาบางทีเพื่อนเขาทอ้อเพื่อนเขาถอยเห็นเราเดินจงกรมให้เราภาวนาเขาก็กลับมาฮึดเดินจงกรมภาวนาต่อไม่ท้อไม่ถอยนี่ก็เป็นการช่วยคนอื่นนั้นนะหรือบางทีเราก็อาจจะมีความรู้ความสามารถอย่างอื่นพอเกือกนนอเก้อกูลชุมชนเพราะเกื้อกูลสังคมได้เราก็เกื้อกูลกันไปตาม ทำที่พอุมีโอกาสนะก็ถือว่าแพยายามปฏิบัติตรงนี้เนาะก็ถือว่าเราจะมาคิดว่าสุขโตนี่เป็นอะไรที่ครบเครื่องนะครบเครื่องนะอมีทั้งหลายๆส่วนมาประกอบกันมีทั้งงานภายในงานภายนอกนะมีทั้งกิจของตนกิจส่วนรวมกิจคนอื่นมีทั้งอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่พอจะปีกวิเวกดลีกไปสู่ความสงบสงัดของป่า อยู่ในที่เงียบๆก็ได้หรือบางทีก็มีที่ให้เลือกได้เจอกับอารมณ์กระทบสัมผัสบ้างก็เป็นการเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองบางทีก็มีทันใานมิตบ้างมีคนที่หลงไปบ้างก็เป็นตัวทดสอบเป็นตัวออมาดูกลับมาดูจิตตัวใจของเราก็จะ่าไปโกรธจะไปโมโหเขานะต้องเมตตาสงสารกันนะบางทีวันนี้เขายังไม่รู้นะ ต่อไปเขาเอาจจะรู้ก็ได้นะ่ะพยายามเมตตากันให้ระลึกให้ทำอะไรก็ได้แต่ให้ ล, ลึกว่าเราทําให้ดีที่สุดในตอนนี้นะให้คิดถึงบางทีถ้าเขาต้องจากไปหรือบางทีเราต้องจากไปเราจะได้ไม่ติดใจไม่กังวลกับกรรมที่ทําในวันนี้นะถ้าต้องจากไปกันในวันพรุ่งนี้ก็ยังน้อยเราก็ไม่มีอะไรที่ติดข้องหมองใจกันแล้วนะพยายามเอาโหสิกรรมกันตลอดเวลา ทำผิดทำพลาดกันก็อโหสิกรรมกันนะอโหสิกรรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจกันเนะเราจะได้มีจิตที่บริสุทธิ์ไม่ติดค้างเศร้าหมองกันนะก็ถือว่าพูดสู่กันฟังนะักเป็นแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เทนไม่ได้สอนนะเป็นการแลกเปลี่ยนกันในฐานะกันยามิตรนะเป็นฐานะคนที่ร่วมเดินทางสายธรรมนี้ด้วยกันเฉยๆเนาะถือว่าเป็นกันยานมิตรกัน ธรรมาอาจจะมีโอกาสพูดตอนนี้แต่ทุกคนก็ตัวเองก็ขอปรารถนาไว้นะก็ก็บอกกล่าวตักเตือนกันได้เหมือนกันนะโดยส่วนตัวก็บอกกล่าวตักเตือนได้นะทางตรงก็ได้ทางอ้อมก็ได้นะจะพูดก็ได้จะเขียนก็ได้ก็บอกได้นะถือว่าให้เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกันให้เป็นเพื่อนที่ร่วมเดินทางสู่เป้าหมายคือความพ้นทุกข์ด้วยกันนะก็ขอจบกันแสดงธรรมเพียงแค่นี้